กิจวัดวิธีวัดต้องเรียรที่ตั <c> ้ง <oughs> ต่อทศาชาตนาพระพุทธศาสนาในการทำรับชวดนลสาธยายเอาคำสอนพระพุทธเจ้าหมาสาธยายให้มันไกลดคิด กับชีว <th phin at> ิตของเราสิ่งไหนที่อยู่ในพระพุทธเจ้าเราก็น้อมมาไว้ในหลักสิ่งไหนที่เป็นธรรมที่เป็นกุศลเราก็น้อมมาให้เป็นของเราสิ่งไหนที่เป็นอกุศลเราก็ทิ้งไปสิ่งไหนมันไม่ทิ้งก็ถ้าไปยึดสิ่งไหนมันเป็นทุกข์ก็เลิกไปยึด ในวันนี้ที่ท่านก็อยากพิลล์จิตเอาเอาความพูดจากวาจาจากปากจิตใส่ใจตามเอาไปเอามาก็เป็นไปตามคำพูดทำให้เตือนไปได้โดยเฉพาะการ ปฏิบัติทำการเจริญสติสติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรที่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าเป็นสูตรที us. ่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดอยตรงนี้ล่ะกิดตรงที่เจริญสติเกิดอยู่ที่ต้นโพธิโพธิก็คือตัวสติตัวปัญญา เารรูสึกตัวเนี่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวมันก็จะเกิดการพบเห็นไม่มีการทบเห็นจริงมังก็เจออะไร ไ, ได้เหมกับหมอตรวจพบเห็นโลกเราก็เห็นสมมุติฐานของโลกหมอเราก็เจอได้แต่ตรวจแล้ไม่มีการพบเห็ มันก็เชื่อนด้หรือเหมือนกับต่อสร้างรถตะรถข้างในมันเสียข้ะไในช่างเขาพบเห็นตอนที่มันเสียก็ไปได้มันก็เชื่อได้ไไดว่าตายอยู่ขพิ่งทางการพบเห็นบุญการพบเห็นบาปการพบเห็นศีลเห็นสมาธิปัญญาเพือ่อเช่นเดียวกัน เห็นอายุรุงเห็นวกเกสัตว์นโกเด้ลฉันเปลอกปลกาเห็นมันจะกินเกลเห็นสวรรค์มันจึงไปสวรรค์ได้เห็นนิพพานจึงไปนิพพานได้เห็นวุก็เอาบุได้เห็นบาปก็รบบาปได้ที่ยืนยัเห็นถึงเล่านี้ก็คือตัวปฏิบัติสมัยนู้สมัย สามสิบสี่สิบปีมาแล้วบานพ่ก็ขายบุญตัวบาปอากได้บุญทำก็บุญตกล้าาบอยูทำอะไรก็ทั้งทุ่มเงิทงเ น, น, เทงนที่ก็บุญบ้านพ่อแม่พี่นู่นคนเฒ่าคนแก่ก็พาทำกันทั้งได้ทับงของ เราถือก็ไปหาเรียนงคำพูดวิชาคาถาต่างๆคาถากันกนรกก็มีถ้าเห็นคนเกิดว่าอย่างไรถ้าเห็นคนเจอจะว่าอย่างไรเห็นคนเจ็บจะว่าอย่างไรเห็นคนตายจะว่าอย่างไรเทว่าคาถาเทวทูตทุ่สี่ดิด่งก <c oughs> ็ไป เห็นคนเกิดเพราะว่าคาถาลงไปเห็นคนเจอ๋อเห็นคนจุบสมัยขนม <c oughs> เห็นคนเจอ่อพาฟืนกรเดินไปอาบนา้ำเพระว่าคาถากุ้งจะหน้าคาเกจุลื่นแต่ว่าคาฟืนพอฟืนแล้วก็หงอฟืนขึ้นบ้านแล้วก็หน้าคาถาแล้วก็ไปช่วยคาฟืน ไปช่วยหาเปิดคุณมันเขาก็โดนโดนก็ได้ซึ่งซึ่งได้เขาก็บอกเขาหลังนี้ก็ต้องนี่ต้องนี่รู้ว่าเป็นบาปกรรมบุญนี่คือคำพูดนี่คือความคิดคิดกับิดเอาเรื่อการพบเห็นจนมาเลย ยิ่ข่าวของภูเทียนหรือที่จังหวัดเลยว่าเรื่องดุนเรื่องบาปแก้ดูได้ถ้าปฏิบัติธรรมละบาปได้เรื่องดนเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องสวรรค์ภาณวัรนป์ปฏิบัติไม่ต้องไปเรียนอะไรแล้วก็ก้มอยไร้ห้มอยู่หนังหู จะอดโดยหล่น ท, น, ทนในหลักเราจะจริงๆหรือปฏิบัติจะไม้เรื่องบุญเรื่องบาปก็แยกครอบไปเลย ท, ทุกอย่างเพราะว่าเีื่องบุญเรื่องบาปลื่งใหญ่ถ้ามีบุญก็ไปสวรรค์ถ้ามีบาปก็ไปนรกเราไม่อยากตกตกลงเราไม่อยากเป็น เ, เปรแเราไม่อยากเป็นสุรายเราไม่ อยากเป็นสติเลชานเพราะมันเป็นเท็จก็ขเขียนภาพไปโอ้ยทรมาน <c oughs> แล้วก็กลัวไนก็ต้องเวื่อโคกไปให้ปฏิบัติเขาก็เทียนท่านก็สอนท้าหรเ ร, เรื่องบุญเรื่องบากให้รู้เรื่องธรรมะแล้วก็ถามว่า คนทำงานเดือนหนได้กี่บาทไปตอบท่านาว่าไปเดือนลูกพันแล้วหลวงพ่อถ้าทำงานเดนเดือนหึงไม่รู้อลไเราจะเสียเงินทั้งหอเราไปแบบน่าขึา้นไม่ใจไปสอนหลวงพ่อเชิญสอนก็สอนไม่ยกมือสร้างใช่ไรูปแบบมันก็ไม่ค่อยดีต้องเคลื่อนมือต้องไหวมือไม่มีสุขภาพ แต่เราทำเราทมแบบนู้นตงงรงสงบท้าทางมันดีกว่าแล้วก็เร่ฝึกสอบวิวเทียนปฐมท่าทางถ้าคนณท่านี้นตรงวิ้อะไรเราจะเสลียรกันไหมพอเป็นเรื่องเป็นับว่าเห็นความมุ่นใจหลวงปู่เทียนเห็นความมั่นใจเห็นความนี้นย น, น, นี่นคนนเคย ต่ใจทำลองดูทนี้ยังครึ่งขึ่งกลางกลางทำาปเรื่ก็กลับมาหาเงื่อนสงบเราิไปไปหลังก็มาอยู่ในความสงบเพาความสงบมันมมาั้งสิบปีสิบปีต้อกลัมาได้ดดดแล้วออกับสอขอความรู้สึกตัว ความสง บ, บกับควาู้สึกตัวมันต่างกันรู้รสึกตัวมีเลาะอกท่านมัยืนอยู่ตากท่านมดูท่านข้างในท่าและข้างนอกความสงมันก็เหมือมนอยู่ในทา่านไม่เห็นข้างนอกแตถ่ถ้าเรารู้สึกตัวนี่ยหรื่เราไปยืนตากท่านม อ, องเข้าไปในทา่านก็เห็นน อ, องไปข้างน ก, ก็เห็น มันเห็น <mister> ท <ius> ั <Kelvin and grace> ้งสองทางแทมที่เราจะเข้าปอยู่ในความสงบล้วก็มาดูมันซะเทมเวลาไปคิดไปโน่นเราก็มมันดมันออกไปทั้งมันจะถึงวันียทุกคนจะคิดอะไรก็เห็นกันดีอ่าการมีอยู่ปากท้องเฉลียงเฉืองดูมันเห็นทั้งสองอย่างมันก็เลยเป็นอิสระเป็นอิสระมันก็เกิดการเห็น เกิดการพบผห็นเห็นกับหูกับตาตามเป็นตาในด้วยไม่ใช่ตาเนี่ยนะตาในคือความรู้สึกตัวมันเกิดอะไรขึ้นที่กายที่ใจแเราเราเห็นไม่มีตรงไหนที่ติดตังอัมพางภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ เราดูอยู่เราเห็นอยู่ตาในโลกดินตาอยู่ไม่มีตรงไหนที่มีความลับความสงบก็เห็นความไม่สงบก็เห็นความสุขก็เห็นความทุกข์ก็เห็นความคิดก็เห็นความหลงก็เห็นความรู้ก็เห็นเราเห็นทุกอย่างเลยภาวะที่เห็นนี้ตั้งชัดขึ้นตรงนี้ เร่ใจกับภาวะที่ถูภาวะที่เห็นน่มาดูกายที่มันเคลื่อนไหวนะมันก็มีจริงกายมันก็มีกาย ต, ตัวที่มันเคลื่อนไหวมันกมีจริงจงสิ่งที่นเคลื่อนไหวมีใจมีจิตมีงยางมีธาตุรู้มัมย น, ยนมีเรคืเห็นแล้วก็รู้คือดูตัวนี ตอพูดเข้าไปก็พออะไรแต่พิดถ้าฟุ่ไปพอเอ่อมาดูเน่ยมันก็เปิดบ้าคำตอบคุณมาก็จับจ้งขึ้นไปเรื่อยเลยจนมาเห็นลูกเห็นน้ำจนมาเห็นลูกดูเข้าไปข้างหมันเห็นเห็นเป็นลูกเห็นเป็นน้ำไม่หลักสตรแล้วร็น ได้่หลักฐานนี่หลักฐานได้นี่คือผู้อภิปรายตัการสอบสวนจำเลยพือเขาตัดสินรับคดีฟ่องมีงิการฟ้องหนักสอบสวนไป ด, ดูไปแี้เพ่อนอได้หลักฐานไ้ามีหลักฐาน น, นี่แม่เราขังยอมรับสรารภาพผนลูกัน ก, ก็บอกว่านี่ลูกฉันไม่เป็นอะไรกับคุณเราเป็นลูกเป็นงามมันก็เป็นเรื่องของงามไม่เ่าเพิ่งกับพอ่มันก็บอกลกูกมันก็บอกอส่วนที่เป็นลกูกมันบอกมันมีอะไรมาก มันเปิดออกส่วนที่เป็นย้ก็เปิดออกมันพาให้เราดูธรรมชาติเพื่อเกิการสอนเหรารูปมันสอนนามมันสอนยัางไเที่อย่างแรงแรมันเป็นทุกอย่างหลังมันไม่ใช่ตัวตนอย่างแรงรูปมันบอกนามมันก็บอกอาการต่างๆที่เกิดอยู่กับรูปมีอะไรบ้าง อาการต่างๆที่เกิดอยู่กับนามมีอะไรบ้างธรรมชาติของโูกตายเดียวเป็นยังไงธรรมชาติของนม้มเป็นอย่างไรมันบอกแต่สิงนี้นเป็นธรรมชาติแล้วแตเป็นธรรมชาติอย่านั้นสิ่งนี้นนนเป็นอาการก็เป็นอาการมันบอกรลกมันทุกข์นามมันทุกข <c oughs> ์ๆๆๆมันก็บอก ทุกข์องรทุกของงามมันก็บอกเราจะเป็นทุกข์จ่เป็นทุกข์จเป็นทุกข์ที่กังวลรู้ทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์ที่บรรเททุกข์อะไรที่เป็นทุกข์ที่ละแล้วก็เป็นลังเหียดัดสำเลกไปเป็นการจัดสอเกไปส่วนไหนจะเป็นทุกข์ที่ะส่วนไหนี่เป็นทุกข์ที่กังวลรู้ แล่ไ จ, จะเป็นทุกข์องเป็นทองก บ, บอกอย่าทุ้มกับทุกข์เป็นระเบียบ่าทุ่งกับอาการของรูปขอ ง, งามของกายของจิตเป็นเีนนเ้นวิบวับไม่ว่าถูกจัดฉันจัดการกับชีวิตของเราแต่ต่อนนี้เราูจัดการ เ, เ, เติามเต็มเยตะพุ่งตะพูดไม่รู้ว่าอะไรประเด็นของทุกวันจ ะ, ะทุ่งกับไม่เที่ง สอนทรกคจะสร้างสรรค์อะไรสร้างสรรค์ดูดมีก็สึกเป็นใหญ่ทีก็ทุกขเนใจังทีก็มันหลงเป็นใหญ่สถัตแวันนี้มันจัดการภาวะที่ดูที่เห็นก็ไปจัดการหรกับเพ่จัดการบริษัทอะไรต่างๆบริหารจัดการ ก็ทางที่เจริญไปความถูกต้องเจริญทวามไม่ถูกต่องพูหายไปแล้วแต่ความดีความถูกต้องไปเรื่องเรื่องบาปไปเห็นเรืเห็นบาปเออไปเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาไปเห็นศาส์นะไปเห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ เออมันคือมิเตวมุคือเตวดูตัวรู้เตาเห็นตาคือตาเห็นูกน่ะนี่เราจะดูที่เห็นตาที่ลูกเห็นมันเป็นตัวบุญงตาเพื่อคือาเพื่อมีลูกนะสกาวทุกาวโกดกาวหลงกาวแล้วกาชางกาวันี้ลูตัวนูกเเห็น เราส่วนนีเป็นคนโกรธไม่เอาเราไปเจ็ดเห็ดหรือเรทําอะไรที่มันเป็นเรื่องถูกต้องแล้วปลแล้วแล้วปกมันยากขึ้นเราเอายาวใหมันมันงามเราไปจุเห็ดเหดอัไหที่มันมีพิษเราไม่เอาเราเจ็บอเห็ดที่ไม่มีพิดเราพยาจัจัดการจัดสรร และดาบ่าท bon so ั้งุนดาบแล้วก็มีบทบาทที่วิทีบทบาทลู่วิ่ลูบาทเห็นวินเห็นบาทลู่เห็นทดเห็นหมดไม่ใช่คิดเห็นลู่ศาสนาศาสนาคือคือคำสอนทั้งหลาย แต่พุทธศาสนาเป็นตัวปัญญาที่รู้ที่ตุ่นที่เบิกบานที่ออกมาที่ออกมากล้ว่าพุทโทนี่แหละพุทโธคือตื่นทุกข์มันตื่นที่นมามันเห็นมันเราเห็นเรามันกำลังปฏิบัตเราเราเห็นนามเราก็ไม่ต้องระเยียบนามอนั้นตื่นมันเห็นพุทโธจะตื่นพรเห็นทุกข์ตื่นทุกข์ มรนก็เราไปเห็นเงี้ยปัตตุงเหนคุยเเงียแลมันกักันหมนเ็นีมัเห็นมันหลุดพ้นเัยนะเห็นความทุกข์เราพ้นจากทุกข์เห็นความโกรธเราพ้นความโกรธเห็นความสุขมัก็มันก็มีสุขมันก็รูเสุขเาพสุขนแต่ความรู้มนทำทุกอย่านามมันทำทุกอย่าง ว <laughs> <laughs> ั้มันทำดีงามมันทำดีรูปมันละช่องามมันละชื่อแล้วก็เป็นไปดังตัวสุดเวลาเรามีสตินี่เรามีสตินี่มันก็ถึดีว <laughs> ่ามีสติมันก็ละชื่อแล้วมีสติกินนี่ก็มีสุดันไ้เพิ่มกับอันใดก็เห็นกันเห็นมุมเห็นแบบเห็นศาสนาเห็นทุติยศาสนา จหลักสูตรเรื่องอารมณ์รูกนามแบบนี้ก็มามาดูทุกต่อพอเราดูตรงนี้มันชวนให้ดูมันชวนให้ดูมากมันทุกนย่มันเป็นก้อนทุกอย่างมาดูทุกมันเรื่อรูปทุกนางทุกแบบมันทุกอย่างเลยมันชวนให้ดูหลังจากเรา เราคิดพผาผ้าทร่อทำอะไรทิ้งชื้อที่เราทำมันศาส์จักสานนีอัตตกรรมศิลปกรร ม, มนชื้อทีท่มันชวนใท้่เห็นท่าทายกับความทุกท่าทายกับความผิดที่เราจักสานเนี่ยบางทไทำไม ว, ว, วเป็นศิลปะไม่อยากแค่ เั็นเหยื่อบอกใครแลวเอาทรงที่เรก็รถอแสงสวางกระติกข้าแล้ถึงเอาทุกขาพวาดที่เร า, เราดูาอมันเป็นศิลปะแล้วเเราถึงผิดล้าก็เออมันเป็นศิลปะไ ม, ไม่ได้ไม่เป็ิลป์มัเจ้าที่ลงตัวให้ได้มันต้องสงบให้ได้มันต้องได้ติดคนขี่มันก็เรามีการบ้างมันทุกข์มนกับการบ้างมันเลงขาอยู่ มันเรียนถมีการบ้านถ้าเยังยไม่ได้ทําการบ้านมันก็จะยิ่ไม่ได้แล้วต้องทําการบ้านดูเร็ดก่อนอันนี้บ้านที่เติมขึ้นมาแต่ยังง้อกอดบ้านของข้าวของปลาก็ยังได้ไหนไม่ได้แต่ลูกเติมขึ้นมาก็จะกินอะไรต้องเอาเรื่องนี้ก่อนว่ลูกจะเดินได้อะไรจะยิ่งขนาดไหนต้องไปหยุดไปหยิบข้าวหยิบข้า ให้ทเทื่อนทำอะไรต่างๆแต่ว่าไสนใจที่จะต้องทำเลี้ยงข้าวหาอาหารให้โลกเดีวก็จะไ้เรียนจะได้กินนงไมนันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการชวนให้ชวนให้ทำหรือว่าเพื่ยงอะไรก็ไม่รู้คุณรกันเลยไม่ได้ด้วสิ่งที่ควรจะทำบ้านเต็มไปหมดแล้วก็ทําเรื่อง ความทุวนให้ชวนศึกษาบุจะต้องเป็นทเป็นสิ่งที่บาดนมางมากเาเหนความทุกขเห็นอย่างเป็นสุดโดเฉพาะเห็นอย่างเป็นสุดการเห็นถูกถ้าไม่เห็นจะได้ทุกอว่ดูมันช้ให anya, anya, anya, anya, anya, ้เราความททุกอย่าง อย uh, ah! so ่ีเราระดลอืมทุกวันท uh, so ุกวันยันต์หลาวันนั่นกับเราขึ้สั่นอ่าบสุดอ๋อแบที่แงอ่ะท่าสั่นนมังก็จะตวตัวน้ดลมเอันีจ้คเราต้องขยย่ต้องสั่ให้จง ยังหุดไมมาเลยาปอขึ the the ้นไป็นแบบโคบโทุกอ่าอันนี้มดถึงทุกย่ไม่หดกันเนวางรูลงมานี่โอ้ลท่คืออะรงเชื่อลือกเชื่อยามเชื่อผีเชื่ออ่านี่ที่ต้านี่มุดไปหมดเลยก่อนป็หเสตอ่าปหนอะไรคาถาเอาไปอ้ ถ, ถ้าเรียนนตรี้าเรินหนังสือส ม, มุดปากแข้งสองสามเล่มใญ่เลี้ยงจนหมดันกลางตั้งใจนอนตอนเย็นนอนข่มขืนตันง้คงคืนอาจจะมหมดถ้าครที่ไปรักษาคนป่วยมีข่อีดุกลัวเราจะสู้ผีไม่ได้ตั้งคาถาอาเนจุดรอบสิบรอบ มันาะบางทีว่าขาเ้าบางบางอันบริกรรมได้เพียงขาเท้าศิลศาสตร์บริกรรมตัวใหญ่ตัวใหญเขาพุ่งเรื่อยๆได้เอาจนตัวเาพุ่งันฝาจะแตนั่นจหยุดได้เออเทขาตัได้แล้วเรียกว่าบริกรรมอ่าจิต ก็าเกิดเท่าคิดน้่คิดนี้แล้วต้องเอ้นเอแต่มามาเห็นสมมติเรามาเห็นทุกข์เห็นสมมติเข้าไปนี่สิ่งนี้กระจงไปก่อนเขาเราโลภหลงงมาการเชื่อผีการเชื่อวิธีกรรมกรรมต่างๆลืมหมดเลยนอยูกับการระทของเราแล้วบัดนั้นหใจนี้ี มันต้องเป็นการทาของเราไม่ได้เกี่ยวกับอย่างลย่นไม่ได้เกี่ยวกับทัศนีรือทางอย่างอื่นเกี่ยวกับการกระทาของเราจะเป็นรุนจะเป็นหลบมันก็อยู่กับการกระทาของเรารั่นที่อยู่ตรงนี้หลาบมันต้องละตรงนี้รื่นใจมับนี้เต็มไปกับต้องเห็นจริงๆไปเห็นหลาบลักหลาบได้สิาหนที่ไม่เห็นก็ไม่เห็นกันเบามันเราขวัญมัเราก็ แรล้วมันก็แรงหนักของหนักเนี่ยตความนอกิโลนแรงงมันก็เงสิบกิโลเนี่ยแรเบามันก็ปรากรควหนับมันก็ปรากรแล้วี่ครบอนไม่บเราเห็นเนเห็นบาเห็นเนเาลหลับไปมันเบาเไล้มแล้วควังลุอกกดดหไป คนที่โปรดก็กลายเป็นไม่โกรดเป็นธรรมดาทรา้งนี้ทันะมันก็จะกดว่มีผลัมันมีสิ่งที่สัมผัดอสัมผัดกับบุญเวลาบาปมันออกไปมันก็เบามัอนกับเวลาเาหของมั น, มนก็เบายูสมัย ก, ก่อนเราหักหน่อไม้พี่หูง ขึมาเลยรวมนะข้นมาเมื่อห่มาขึ้นื่อระยั่แล้วเังต่เป็นก่อนเผาดีนเจกะตาหาไปรอดหาชิโนเราขึ้นด้ปะไตังนานเลยว่ะอันนี้พี่อุตาเจกาแบนีันงเ้นเศไต่นที่หน้าจัจับ ไม่ไหวนะลอยขบวัดให้หนันะคับนวดกัดตัมาอะไรกตััจกบ่าอืมอืมเราดีอะไรบ้างเหล่าขึ้นถนนหาพัทธละโดนถนนเหล่เก่าบาง่าหลงงายบาทุต่างๆหลุดแล้วเดี๋ยวไงหลุย ในเล็กในอ่าหลวงานซุปในเพนอคนนั no ่นแาอกข้อ no ้มันเบ้อูอ no ้อน่ส no ิอู no ้อู้น <no> ี <uttering> ่ค oh, ือตัวรู้เนี่ยตัวรู้ตัวร้ทุกีเห็จิเยตะนช่อเลยเพ่นราโอท่าน ต่ผมไม่อยู่เลหนาบไมอยู่ด้เกิดสิงข์ขึ้นรบาดเกิดสมาธิเกิดไปหน้าสมาแล้วบาดทมทีป๊บเกิดแลเวมันตั้น้าบอกว่ไม่ไรเข้ามาป๊บละาดเดียวไม่เป็นธรรมชาติไม่มีทุกข์คนมีทุกข์ก็มีไม่มีคนไม่ไม่มีนโกรธคนไม่โกรธก็มาแทนไม่มีคนหลงควไม่หลงก็มาแทนตางเก่า้วบาดพ้นภาวะเก่า ล <laughs> ู่ลื่นวิปัสนาลโอ้ิปัาคือตัวลูภาละทีู่่เนเก่าดังเก่าลู่วเก่าลดลูรงเก่ามสะอาดเก่าาคอรมไปจกันมันดีจะยั <laughs> เพรนายทนขนมกินหเอม่ไ้แซผ้านเก่าแต่ว่ามันสะอาดแล้วสะอาดีหายา้เก่าตดอันเก่าดเิดก่มันก็เดินดนแวันเนะสิบมัน้นแหละเราเรีกิดเปลี่ยนความเปลี่ยนความส เสพส่วนเพิ่มอทธิพลมาเสพส่วนควบคู่ควรวมควบเลกคือแเด็กาความว่าฝุ่นขึ้นมาขึ้นสู่สภาพเก่าดสู่สภาพเดิมประพัทธะก็คืตังทิขเวกิตตังงอ่ากิดทิวิสุประพัทธะกิตเดิมเดิมอะไรเข้าสู่สภาพเดิมขึ้นมาขึ้นขีด แล้วก็มันพันไปทุกทุ่มทุกทุกทุกฉากทุกนึ่งอยจางบันี้อื่นยืนยืนคงยืนคงระเบนไม่รอดไปใจละวบนได้ที่รู้ไหมกิจมันได้ที่อยู่ไม่ใช่กิดอ่ะมันสภาพสภาวธรรมที่มันเข้าที่มันเข้าที่มันถูกต้องมันไปไหนไม่ได้ระเบนยืนนู้นที่มันได้ที่ของมันแล้วก็แล้วก็ ส่งตัวหรือเราปลูกบ้านอะไรที่มันเข้าที่มกอาศัยได้ด้ยงพ้อจะราเนีเรที่เลยยึดไลยวพ่อ่ไหร่เอาเป็นฮะเนแล้วมันเราขเงินเยอยังเาที่เลยก็เมอนทมันเข้าที่มันจะอยู่ได้จงจะอยู่ได้ถ้าม่เข้าที่มันอยู่ก็่ได้ไม่ใช่ได้ได้ทางเข้าที่มือก่อดีโบก่า โตกวินวัฒพัฒนายกรดขึ้นบยวะัฒน์ดีขึ้นเลยวะต่างก่นยุทธธรรดี้นเลยวพบรรู้่อแล้วแต่ว่ามันกลิบหม่พบภูมิมันพบใหม่ภาณใหม่วงพ่ว่าอ่าวยานิวารสารสติญาณตะกี้นะตะกงกันนนเลย ตตปัจจุบน nice. nice. yeah, ้มอาสายัอันไนไปแล้วอันนี้มันอะลูเอวหรืปัดปัตังเวที่ตเป็ูตโอ้ประาณที่ไปเจอวาสิชชุนมันยังดีรู้เพียรเพื่อนวาสานุสติาเื่อสิปี่สปีนยังไม่เพื่อที่ต่างก่อนตะ้อ อ่คนมันลบนี้ยงาบานี่ยอ่เทียวเานนี้งานที่สเกิดขึ้นอี่เบานนี้ที่เกิดขึ้ต้องต้องอยู่ตรงไหนได้นด้ไหมว่าืคอดบ้านตั้งองตตัีที่เกิดที่ที่เกิดนีที่นั้นหาสขยันึ่งไปบางอย่างขึ้นไป ทำอาสวะให้สิ้นไปอาสวะที่ทำไม่ดีเท่าไรสิ้นไปโอไสิ้นไปัไ้ยงแสงสว่างเกิดขึ้นขุ่นเหอยู่่ไเหวหมดไปแล้วแสงสว่างเห็น่เห็นพอทยเห็นคาเห็นแล้วโอ้สว่างเกิดขึ้นเห็นเงนเห็นบาปเห็นนเหบาปา เห็นคทั่วลทั่วทุบพุ่ต่างๆยกปงิติดประดับหลบพุ่งอุนกายพุ่งเตะพุ่อ่ามีสานพุ่งน่ใส่ตินรับพุ่ตต้งเลยไปซูพุ่ต่ีไปูพุ่ต่ไม่ไปาเป็นคนเยว่างสี่ติดปะ ปฏิมาทุ me, ่ต้งป็นอาง้ทุตอบเลยจริงๆถึงจะทำเลยวันี่จะอยู่หลังเห็นว่าอะต้องสร้างสติสร้างความรู้สึกตัวรู้นะดวงตาม่ดูจ้าของอดวตาม่ปุ๊บปุตืนไมเกิดไม่เกิดจริงวัดทุ่มวุมตือนตือนนตอ เมื่อดู l ดยอื่นเมื่อดูโลกเราเ c ยไปแล้วหรือเปล่าสวยจะมาดูโลนีอันจิตการดาชาชนตกแงนันโลเลยเขาตงสีตนงเสียงงรมีมีรเสียงก็มีนกินก็มี่ตายก็มีมกหลง อันนู้นทหารก็ได้ยินไดคนควไปเตนไปไถ่ก็กหวเาก็มาเสาะขอสลดมาบ่เห็นไเสางสลดสอสมชัแล้วก็ยังม่ไถ่เอไปนโอ้แสบแสอ่าเลยทีนี้หลุดทีนี้หลุดยังได้รีบจัดการรีบลุดท่คนหลงเท่าไ อยู่เละจงอยู่ผู้มีปัญญาหาคงอยู่นี่หาคงเลยเถอะมาหลเห็นเป็นอย่างนี้เลยก็ต้องวิละกันต้องว่าปกติดีที่สุดปกติดีที่สุดหลงเรางเรดีที่สุดปกติหลงเราดีที่สุนผมดีที่สุดงานผมดีที่สุดเชื่มโยงกันแล้วมันเป็นของจริงควบจริงกันใช่ไหมหลงเราอยู่ข้างนอก ถ้าเที่งยองอเลยต้องเที่ยงเด้ะถ้าไม่จำหมดก็งงพอมันไม่หมดผลเกิเลยต้องมาปฏิบัติทำวทั น, นี้ก็ได้เวลาแล้วพอชิ้นหนึ่นทั้งหลายทรกันสมาธิปฏาจิณส์สาธุสาธุสาธุอัคคนโต ปกติธรรมีทวัโตเอวะรูปโอคนโตที่วัโตุทเะว่าตาปัญตะธมวนอวะัยายปาอุปาิาังอุโตัะสาโ่าอันังคนโตกรเพามาตาตะวโตธมนุธมะิยัิาปายาิมจรเต ที่มันจะที่ว่าส a งอสังฆสัมมาสังขังอุปโธสถังอุปปัฏฐิตสมาติตาลั t ปริเฉทางกัตตาวะตังตังเวรุปริลาอภิชิตาจิตาุปตะวะตะกัจจัอุปโธังสมาธิเจยามะอทิศังหิอุปโธสังสมปทานะคะตังที่ังมานิรัตตังโหตุขอประกาศเรื่องๆความที่จะสมาทานรักษาโวจด อันพร้อมไปด้วยองค์แปดประการให้สาวไชนที่จะตั้งจิตสมาทานทราบทั่วกันก่อนแต่สมาทานนั บ, บนี้โดวยวันนี้เป็นวันอัศมีดุตรที่ แ, แปดแห่งกักมาถึงแล้วก็แหละวันที่นี้เป็นวันที่สมเด็จพระผู้มีพระภาพเจ้าทรงมัญญะแต่งตั้งไว้ให้มาประพิมพ์ร้อมกันฟังธรรมและเป็นการที่จะรับาษาโพสดของอุบาสก อ, อุบาสออิกาทัาองอ้งหลาย เชิญเิเราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาประชุมพร้อมกันที่นี้พึงกำหนด ก, การว่าจะรับสาวโบสด ต, ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้แล้วพึงทำความเว้นโทษ น, นั้นเป็นอารมณ์อย่าให้มีจิตทุ่มส่้านตรงไปที่อื่นซึ่งสมาทานองค์โบสดทั้งสองประทานโดยความเคารพเพื่อจะบูชาตำแเด็งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอั mm hmm. นเดิม ท, ที่เราทั้งหลาย จะอยู่รอดมนาะจนถึงวันอุโบสถเช่นนี้ขอท่านทั้งหลายชยามอยาปล่อยร่วงไปเสียเปลา่าจากประโยชน์ทั้งเลยมักยังพันเตติสรเนนตะหะอัตถังกัตสัมนาคัตังอุโบสถังยะจามะติยัมีิมักยังพันเตติสารเนนตะหะอัตถังกัตสันาคัตังอุโบสถังยะจามะ ตียัมตีมะยังทันเตอิสรเนรัสหะอะทังกะสัมณัตังอุปโภังยานะนะนโมตัสสะภะวะโตอรหะโตจงหาจังพุทธะนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตจงหาจังพุทธะ นะโมตัสสะพุทธวะโตอะระหะโตจามะจังพ <ês> ุทธะนะโมตัสสะพุทธวะโตอะระหะโตามังพุทธะนะโมตัสสะธวะโตอะระหะโตจามะจังพุทธะนะโมตัสสะพุทธวะโตอะระหะโตมัพุทธะังกัจจา ทัมมังสร a นังกาจามีทัมมังสระังกาจามีสังขังสระังกาจามีสังขังสระังกาจามีตุติอัมตุปุตังสระนังกาจามีตุติอัมปิทัมสระังกาจามีตุติอัมปิกังขังสระังจาม ตัดยามที่พุท uh, ธังสระนัง mm กัจจามิตัดยามที่ดุณหังสระนังกัจจามิตัดยามที่ังกังสระนังกัจจามิตัดยามที่นัมหังสระนังกัจจามิทิสระนักขัมณังมิทัง อาณาติปะทาเรรามณีภิกขะพันธ์สมาธิยามีอาณาติปะทาเรรามณีิกขสมาธิยามนาธาเรรมณีิกขสมาธิยามี <laughs> อากรรมจริยาเวรานิสิขาพธังสมาธิานิอากมจริยาเวรานิสขาังสมาธิาาวาเวรสขาังสมาธิาุาวาเวร สุราเมริยะมัจจาปนาตถานาเวรมณีศิขะปัฏฐาสนาธิญาณีสามัาาตถานรมณีขปสาธิญาณีิเหจนรมณีขะัาสนาณี <laughs> <laughs> นัจจักิดาปิดาวิชกเดชนมาระคันทะโลปนัตตาณามันตนาวิปุจนาทานาเวรมัยามายามิตวิิััมารคันะวิเลปนาลววินาทานเวรม สุขาปัตังสัมมาทิยานิอุจจารยะนะมหาสยะนะเวระมณีสุขาปัตังสมาทิยานิยุจจายะนะมหาสยะนะเวระมณีสุขาปัตังสัมมาทิยานิอิมังปัตังมะนาขตังโมระทังจิมันจารติมจิมันจระสั สมาธิวะอาภิรัตติตวงสมาธิานิกระเจ้าทั้งหลายจะพอน้องรับรโอเบตโตถินอันท้อไปรองแปรตะการที่พ ร, ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทงรงบัญญัติแจ้งสังไวดีแล้วจะเสบรัเลิกวราบให้ดีเนื่ยครับ มีให้ทำราวตลอดช่ววันหนึ่งและคืนหนเ่งเพราะเปิดสมคบุณส่วนนี้จึงเป็นอุปนิสายเป็นปัจจัยนำไปถูงพนักานมีนาพุกาลเรื่องหน้านี้เทินขุนจ้าุนาอัตถาสิ ए, ว่าสัทสีราวาเซนาช้าทุกข์การกัตตวะปะมาเทนาระคีตบพะวานีนี้นาชิกติมตสีโลนะะัปทาสีโลนะอปิตปะสมาังโทกกอะรังสัมมาัมสะรัต Kovada namo namo namo, the noble 佛陀尊者吉祥佛，大圆满。